เพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับ พ, พักคีดูหมิ่นพระวิไนในวิเลคณะศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐาน